จเจริญพรท่านผู้มีจิตกรุณามีความเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27เมษายนพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยการมาวัดเพื่อมารับมรดกที่พระบรมศาสดาพระอาหารหันต ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเราทั้งหลายมีความเคารพมีความเลื่อมใสมีความศรัทธาเพราะเป็นมรดกที่ ดีที่สุดที่เลิศที่สุดไม่มีใครสามารถที่จะพรากจากเราไปได้เป็นทรัพย์ภายในเรียกว่าอาริยทรัพย์ทรัพย์นี้จะติดไปกับใจของเราไม่ว่าเราจะไปเกิดที่ไหนก็ตามเราจะมีอริยทรัพย์คอยคุ้มครองคอยสนับสนุน คอยช่วยเหลือคอยส่งเสริมให้เราได้เข้าสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปในที่สุดนี่คือมรดกที่พระพุทธศาสนาจะสามารถมอบให้กับสัตว์โลกได้มีศาสนานี้เพียงศาสนาเดียวเท่านั้นที่จะมอบ มักผลนิพพานให้กับสัตว์โลกทั้งหลายได้ไม่มีศาสนาอื่นเพราะไม่มีผู้อื่นที่จะรู้ได้เท่ากับพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ก็มีศาสนาอยู่หลายศาสนาด้วยกันแต่ละศาสนาก็ไม่สามารถที่จะพาหรือสอน ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้ให้เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้จนพระพุทธเจ้าเองจึงต้องศึกษาและปฏิบัติเองในเบื้องต้นก็ทรงศึกษาตามสำนักต่างๆกับครูบาอาจารย์ต่างๆ แต่ท่านก็ไม่สามารถสอนให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้ไม่สามารถให้บรรลุมรรคผลนผิพพานได้เพราะไม่มีใครรู้ว่ามีการมีการปฏิบัติที่สามารถทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีใครรู้ว่ามีมรรคผล น, ผนิพพานเป็นวิสัยของพ่ะโพธิสัตว์ ท, ที่กำลังบำเพ็ญเพื่อที่จะให้ตัดสรู้ให้ได้บรรลุถึงพระนิพพานนี้เพียงองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถศึกษาค้นคว้าและหาจนพบเมื่อพบแล้วจึงนำเอามาเผยแผ่เอามาสั่งสอนให้กับสัตว์โลก ผู้ที่มีจิตศรัทธาเมื่อรับไปปฏิบัติก็สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบรรลุเป็นพระอรหันต์กันเป็นจำนวนมากเพราะพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดมาปฏิบัติมาตัดสร้มาเผยแผ่สั่งสอนพราะทำคำสอนอันประเสริฐ ก็จะไม่มีใครสามารถที่จะปฏิบัติตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ได้จะต้องเวียนว่ายตายเกิดเพื่อใช้เวรใช้กรรมที่ตนเองได้สร้างมาได้ทํามาในอดีตในแต่ละภพแต่ละชาติจะไม่มีวันสิ้นสุด จนกว่าจะได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระพุทธศาสนาที่จะชี้ทางบอกให้ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้ไปสู่มรรคผลนิพพานนี่แหละคือมรดกของพระพุทธศาสนามรดกที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายไว้ให้กับพวกเราพวกเราถ้า สนใจอยากจะไปอยากจะได้รับมรดกนี้เราก็ต้องน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราบําเพ็ญให้เราสร้างขึ้นมานั้นมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันเพราะเป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้เราได้รับมรดกคือมรรคผลนิ่ผ่านนิจคุณธรรม5อย่างนี้ก็มี 1. ศรัทธาความเชื่อ 2. วิริยะความอุตสาหะภาคเพียรความขยันหมั่นเพียร 3. ส, สติการะระลึกรู้ 4. ส, สมาธิ ห้าปัญญานี่คือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะพาให้เราไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปรับมรดกที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับเราคือมรรคผลนิพพานได้เราจึงต้องสร้างคุณธรรมทั้งห้าประการนี้ให้เจริญนอกงาม ให้ได้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการบำเพ็ญตามที่ทรงสั่งสอนศรัทธานี้ทรงสอนว่าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเพราะเมื่อเราฟังไปเรื่อยๆเราก็จะเกิดมีศรัทธาถ้าเรามีศรัทธาแล้ว เราก็จะมีศรัทธาที่มั่นคงที่แก่กล้าที่เหนียวแน่นที่จะพาให้เราไปสู่การปฏิบัติเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะได้เห็นได้พบกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงพบทรงเห็นแล้วเราก็จะมีความศรัทธาอย่างอย่างมั่นคงไม่มีอะไรที่จะทำให้ศรัทธาของเรา เสื่อมคลายไปได้ดังนั้นในเบื้องต้นเราจึงควรฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเข้าวัดกันอยู่เรื่อยๆศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่านารกมีจริงบาปมีสวรรค์มีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงกรรมมีจริงตายแล้วไปเกิดมีจริง มรรคผลนิพพานมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงนี่คือสิ่งที่จะทรงสั่งสอนพวกเราเมื่อเราฟังแล้วเราเชื่อเราจะได้ปฏิบัติเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปการที่เราจะไม่ไปเกิดได้เราก็ต้องไม่ทำบาปเราต้องทำแต่บุญอย่างเดียวเราต้องบำเพ็ญชัมระ จิตใจของเราให้สะอาดด้วยการกำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆเมื่อเราฟังแล้วเราเกิดศรัทธาเราก็จะมีความขยันหมั่นเพียรมีความอุตสาหะมีความภาคเพียรที่จะปฏิบัตินี่คือคุณธรรมขั้นที่สองเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างเราก็ทำกัน การกระทำเราก็ต้องทําด้วยความอดทนด้วยความเข้มแข็งจะยากจะรอนบาดอย่างไรเราก็ไม่ท้อแท้ไม่ให้มีเหตุผลอื่นๆมาคอยลบล้างความตั้งใจความขยันหมั่นเพียรของเราเช่นวันนี้เราตั้งใจจะมาวัดกันเราก็ต้องมาให้ได้อย่าให้เหตุการณ์อื่นๆมาล้ม ความตั้งใจของเราที่เราจะมาทำบุญมาฟังเทศน์ฟังธรรมมารักษาศีลกันถ้าเราพยายามทำอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะติดเป็นนิสัยไปจะทำให้ทำได้ง่ายขึ้นและอยากจะทำให้มากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อเราทำไปแล้วเราก็จะเริ่มเห็นผลขึ้นไปตามลำดับเหมือนกับการรับประทานอาหาร ถ้าเราไม่เคยรับประทานอาหารเลยเราก็จะสงสัยจะไม่มั่นใจว่ารับประทานเข้าไปแล้วจะได้อะไรขึ้นมาแต่เมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วเมื่อมีความสุขมีความอิ่มจากการรับประทานต่อไปเราก็จะมีความขยันหมั่นเพียรที่จะรับประทานอาหารอยู่เรื่อย เพราะเรารู้ว่ามีคุณมีประโยชน์การปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนก็เป็นเหมือนกับการให้อาหารกับจิตใจเป็นเหมือนให้เหมือนเป็นเหมือนกับให้ยากับจิตใจอาหารก็คือทำให้จิตใจของเรามีความอิ่มมีความสุขมีความมีความพอใจมีความภูมิใจซึ่งทำให้เรา สามารถอยู่เฉยๆได้ไม่หิวไม่อยากกับสิ่งอื่นๆเป็นยาก็คือช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ทุกข์ทรมานใจตามกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วเมื่อเราเห็นผลที่ปรากฏขึ้นมาในใจของเราเราก็จะมีความยินดี มีความขยานหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นและสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีในการปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือสตินี่เองสติก็คือการเฝ้ามองดูการกระทาของเราทางกายทางวาจาและทางใจว่าเรากำลังทำไปในทางใด ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะเป็นเหมือนคนเมาสุราคนที่ดื่มสุราจนมึนเมาจะไม่รู้สึกว่าจะไม่รู้ว่าตัวเองกำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรกำลังทำอะไรการกระทําของคนที่มึนเมาจากพิษของสุราจึงมักจะไปในทิศ ท, ทางที่ไม่ดีไม่งามมักจะไปสู่ ความทุกข์ไปสู่ปัญหาไปสู่ความวุ่นวายต่างๆเพราะอะไรเพราะไม่มีสติคอยเฝ้าดูการกระทำของกายของวาจาและของใจนั่นเองไม่รู้ว่ากาลังคิดอะไรพอคิดแล้วก็ปล่อยออกไปเลยคิดอยากจะพูดอะไรก็พูดคิดอยากจะทำอะไรก็ทำซึ่งส่วนใหญ่ถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่รู้ว่า ดีชั่วอย่างไรเมื่อทำไปก็มักจะทำไปในสิ่งที่ไม่ดีสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นและตนเองเช่นเมาสุราแล้วก็ไปขับรถยนต์เมื่อไปขับรถยนต์ก็ไม่สามารถควบคุมรถยนต์ให้อยู่ภายใต้การบังคับได้ถึงไฟแดงก็หยุดไม่ทันหรือมีรถมาตัดหน้าหรือคน ตัดหน้าก็หยุดไม่ทันหรือมองไม่เห็นเพราะเมื่อเมาแล้วจะมองอะไรไม่ค่อยชัดเจนก็จะไปประสบกับอุบัติเหตุทำให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาต้องไปไปไปแก้ปัญหากับเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาจจะต้องถูกจับไปลงโทษหรือตนเองอาจจะพบกับ อุบัติเหตุที่ทำให้พิกลพิการหรือถึงกับเสียชีวิตไปเพราะไม่มีสตินั่นเองดังนั้นการที่จะมีสติได้ในเบื้องต้นเราต้องหลีกเลี่ยงการเดิมสุรายาเมาและสิ่ ง, ส, งสิ่งอื่นๆที่จะทำให้เราขาดสติเช่นยาเสพติด ต, ต่างๆเป็นต้น เป็นสิ่งที่เราต้องอยู่ห่างๆอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องนอกจากการที่ไม่เสพสิ่งเหล่านี้แล้วสติที่เรามีกันอยู่ก็ยังไม่พอเพียงเราต้องพยายามสร้างให้มีมากขึ้นไปด้วยการคอยดึงใจไว้ให้อยู่กับตัวเราคอยเฝ้าดูใจของเราว่ากำลังคิดอะไรอย่าปล่อยให้ใจคิด ไปกับเรื่องราว ต, าต่างๆที่ผ่านมาแล้วใน อ, อดีตก็ดีหรือที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ดีในอนาคตให้ใจคิดอยู่กับเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นอยู่เช่นกําลังทําอะไรก็ให้ใจคิดอยู่กับการกระทํานั้นๆเช่ น, น, นกําลังรับประทานอาหารก็ให้รู้อยู่ว่ากําลังรับประทานอาหารกําลังตักอาหารเข้าปากกําลังเคี้ยวกําลังกลืน ให้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ถ้ากำลังเดินก็ให้มีสติรู้อยู่กับการเดินว่ากำลังเดินข้างหน้ามีอะไรเราจะได้มองเห็นถ้าเราเดินไปแล้วเราคิดไปด้วยเราอาจจะไม่ได้มองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราอาจจะเดินตกหลุมก็ได้อาจจะเดินลื่นหกล้มก็ได้อาจจะเดินไปชนสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ได้ เพราะเราไม่มีสติเฝ้าดูการเดินของเรานั่นเองนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องพยายามฝึกสอนใจให้มีอยู่ก็คือสติการที่จะมีสติได้นั้นจิตจะต้องอยู่ในปัจจุบันเป็นหลักคือไม่ไปในอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ไปในอนาคต แต่ถ้าเรามีความจําเป็นที่จะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตหรือเรื่องในอนดีตเราก็ให้มีสติรู้อยู่ว่าเรากำลังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะทำอะไรเราควรจะยืนเฉยเฉยหรือนั่งเฉยเฉยคิดให้เสร็จคิดให้พอคิดให้เรียบร้อยเช่นคิดวางแผนว่าพรุ่งนี้จะไปทำอะไร คิดให้พอเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะต้องทําอะไรเราก็หยุดคิดแล้วก็ดึงจิตกลับมาในปัจจุบันต่อไปให้มาเฝ้าดูการกระทําของเราเรากําลังทําอะไรก็ให้เฝ้าดูอยู่กับการกระทํานั้นๆกําลังเดินก็ให้เฝ้าดูการเดินกําลังพูดก็ให้เฝ้าดูการพูดกําลังคิดก็ให้เฝ้าดูความคิดคือไม่ให้จิต เผลอจากการกระทำทั้งสามส่วนนี้เพราะถ้าเผลอแล้วเรามักจะคิดหรือพูดหรือทำไปในทางที่ไม่ดีแต่ถ้าเราคอยเฝ้าอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะรู้เมื่อเรารู้เราก็จะได้ยุดยับยั้งได้เช่นเราคิดจะไปดื่มสุราพอเรามีสติเราก็รู้ว่าการดื่มสุรานี้ไม่ดีเราก็หยุด ไม่ไปไม่ไปดื่มสุราอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปเสพสุราแต่ถ้าเราไม่มีสติพอเราคิดอยากจะดื่มสุราเราก็เดินเข้าไปหาสุราแล้วก็หยิบมาดื่มทันทีอย่างนี้เป็นเพราะว่าเราไม่มีสตินี่คือสิ่งที่เราต้องเจริญอยู่เรื่อยๆก็คือสติเพราะเมื่อเราเจริญสติแล้ว เราจะสามารถควบคุมใจของเราได้ในขณะนี้ใจของเรามักจะเป็นเจ้านายเราเราไม่ได้เป็นเจ้านายของใจใจจะสั่งเราให้ไปทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ให้ไปดูนั่นดูนี่ให้ไปที่นั่นไปที่นี่เพราะเราไม่มีกำลังที่จะหยุดใจของเราสิ่งที่จะหยุดใจของเราได้หรือ เรื่อที่เรียกว่าเบรคของใจนี้ก็คือสมาธิเราจึงต้องฝึกสมาธิเพื่อที่เราจะได้ควบคุมบังคับใจของเราได้ถ้าเรามีสมาธิแล้วเวลาใจคิดไปในทางที่ไม่ดีเช่นคิดอยากจะไปดื่มสุราเราก็หยุดมันได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิถึงแม้เรารู้ว่าเราคิดจะไปดื่มสุรา แต่เราก็หยุดมันไม่ได้มันยังสามารถสั่งให้เราไปหยิบสุรามาดื่มได้ไปหยิบบุหรี่มาสูบได้ให้ไปเที่ยวไปทำอะไรต่างๆได้แต่ถ้าเรามีสมาธิเราหยุดใจได้เมื่อไหร่แล้วต่อไปเวลาที่เราเห็นว่าใจกำลังจะสั่งให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะหยุดมันได้ วิธีที่จะทำให้ใจเป็นสมาธิให้ใจหยุดนิ่งก็คือให้บริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆด้วยสติให้มีสติเฝ้าดูใจว่ากำลังบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่หรือเปล่าถ้าไปคิดเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้ามีสติเฝ้าอยู่เราจะรู้ว่าเราบริกรรมพุทโธอยู่หรือไม่ ถ้าไม่บริกรรมไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ดึงมันกลับมาพยายามดึงกลับมาเรื่อยๆให้อยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจิตจะนิ่งจิตจะสงบจิตจะไม่คิดอะไรหลังจากนั้นแล้วเราจะสั่งให้จิตทําอะไรก็ได้ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ได้ไม่ให้คิดก็ได้แต่ในขณะนี้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิ เราจะไม่สามารถควบคุมใจของเราได้บางทีเราไม่อยากจะคิดแต่ก็มันก็อดคิดไม่ได้คิดแล้วก็ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจวุ่นวายใจคิดไปทำไมคิดไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเรื่องเหตุการณ์ที่เราคิดถึงนั้นมันก็ผ่านไปแล้วเช่นเราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปคนที่เรารักไปแทนที่เราจะลืมลืมไปเสีย ว่ามันผ่านไปแล้วมันเป็นเหมือนความฝันแล้วเหมือนกับเมื่อคืนนี่เรานอนฝันว่าเราเสียคนรักไปเราเสียสมบัติเข้าของเงินทองไปพอเราตื่นขึ้นมาเหตุการณ์นั้นมันก็ผ่านไปแล้วเราย้อนกลับไปไม่ได้ย้อนกลับไปเอาคืนมาไม่ได้คนที่ตายไปแล้วเราดึงกลับมาไม่ได้คิดไปจนมันตายก็ไม่สามารถดึงเขากลับมาได้ มีแต่จะสร้างความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจให้กับเราไปเปล่าๆเพราะเราไม่ได้เป็นเจ้านายของใจเราเราเป็นทาตของใจเป็นลูกน้องของใจใจจึงสั่งให้เราคิดเลื่อยเปื่อยไปได้แต่ถ้าเราฝึกเจริญสติอยู่เรื่อยๆฝึกบริกรรมพุทโธไปอยู่เรื่อยๆไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเวลาใด เราสามารถจเจริญบริกรรมพุโทโธได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นจะต้องรอเวลาที่เรานั่งสมาธิไม่ต้องรอเวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์เราจะถึงบริกรรมพุโทโธเวลาที่เราไม่ต้องคิดเรื่องอะไรก็ให้คิดแต่คำว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปแล้วใจของเราจะว่างใจของเราจะสบายไม่มีอะไรจะเข้ามาทำให้เราหนักอกหนักใจ แล้วต่อไปถ้าเกิดมีเรื่องราวอะไรเข้ามาเราก็สามารถปัดมันออกไปได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาพอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปเราไม่ต้องเราไม่ต้องดึงมันกลับมาแบกให้หนัก อ, อกหนักใจอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปเราก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินไปข้างหน้าต่อไปมีอะไรที่เราต้องทาก็ทาไป อย่างนี้ชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพราะเรามีสติมีสมาธิที่จะมาควบคุมจิตใจของเราไม่ให้วุ่นวายและถ้าเราจเจริญปัญญาได้ด้วยแล้วเราจะยิ่งมีความสุขยิ่งมีความทุกข์น้อยลงไปยิ่งขึ้นไป ถ้าเราเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาเจริญอยู่เรื่อยๆคือให้เราศึกษาความจริงของชีวิตของเราสอนตัวเราให้เกิดปัญญาขึ้นมาว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องมีความแก่เป็นธรรมดาเราต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเราต้องตายเป็นธรรมดาเราต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดานี่คือปัญญา ถ้าเราสอนใจเราอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะมีอาวุธไว้คอยป้องกันความทุกข์ต่างๆที่จะมารุมเล้าจิตใจของเราทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันก็เพราะว่าเรารู้ไม่ทันเราไม่มีปัญญานั่นเองเราลืมไปว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเราต้องพัดภาคจากกันเพราะเราแก่หน่อยเราก็ทุกข์ใจแล้ว พอเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็ทุกข์ใจวุ่นวายใจพอคนนั้นคนนี้ตายจากเราไปเราก็เศร้าโศกเสียใจวุ่นวายใจถึงเวลาที่เราจะต้องตายเรายิ่งวุ่นวายใจใหญ่เพราะเราไม่มีอาวุธไว้ป้องกันความทุกข์ที่จะเข้ามาเหยียบย่าทาลายจิตใจของเรานั่นเองเราขาดปัญญาแต่ถ้าเราจเจริญปัญญาอยู่เรื่อย ตังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจได้เลยเมื่อถึงเวลาแก่ก็ให้มันแก่ไปยินดีที่จะแก่เมื่อถึงเวลาจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้มันเจ็บไปยินดีที่จะเจ็บเมื่อถึงเวลาจะตายถึงเวลาที่จะต้องจากใครไปก็ยินดีให้เกิดขึ้นถ้าเรามีความยินดีแล้วเราจะไม่มีความทุกข์ สังเกตดูถ้าเราทําอะไรแล้วเรามีความยินดีเราจะไม่มีความทุกข์เราจะมีความสุขอย่างวันนี้เรายินดีที่จะเสียเงินเพื่อซื้อข้าวซื้อของมาทําบุญให้ทานเราเสียเงินไปแล้วเราไม่มีความเสียใจแต่เรามีความสุขเพราะเรามีความยินดีที่จะเสียแต่ถ้าเราไม่ยินดีที่จะเสียถ้าเกิดมีใครมาขโมยเงินไปสักร้อยบาท เราจะโกรธมากเราจะเสียดายมากเราจะเสียใจมากเพราะเราไม่ยินดีที่จะเสียนั่นเองใจของเรานี้ทุกเพราะความไม่ยินดีไม่พร้อมที่จะรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าใจพร้อมที่จะรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นยินดีที่จะให้มันเกิดขึ้นแล้วรับรองจะไม่ทุกเลยนี่คือธรรมชาติของใจเราเป็นอย่างนี้ ใจเราต้องพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ต่างๆพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นถ้าพร้อมแล้วไม่มีความทุกข์เลยจ ะ, ะจะรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างสบาย อ, อกสบายใจเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าพาระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่มีความเดือดร้อนกับความเป็นความตายอยู่ท่านก็ยินดีตายก็ยินดี อย่าไปคิดว่าผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์แล้วจะต้องฆ่าตัวตายเพราะเมื่อเมื่อบรรลุแล้วก็จะไม่อยากจะอยู่ต่อไปนี่ไม่ใช่พระอาหารหันต์พระอาหารหันต์นี้ท่านไม่มีความอยากไม่ว่าจะอยากตายหรือจะหรืออยากอยู่จะไม่มีอยู่ในจิตในใจของท่านใจของท่านจะว่างเป็นกลางอยู่เสมอพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ต่างๆเสมอ เมื่อยังถึงเวลาอยู่ก็อยู่ไปยินดีที่จะอยู่เมื่อถึงเวลาตายก็พร้อมที่จะไปนี่คือธรรมชาติของจิตต้องเป็นอย่างนี้ต้องอยู่ก ล, งกลางๆถ้ามีความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วจะมีความทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีเช่นเวลามีชีวิตอยู่แต่อยากจะตายนี่ก็มีความทุกข์แล้วถึงอยากจะตายหรือว่าเมื่อถึงเวลาจะตายก็ไม่อยากจะตายนี่ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเดียวกัน เราจึงต้องมาฝึกต้องมาสอนใจต้องอบรมใจด้วยปัญญาเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดผ่าจากกันเป็นธรรมดาสอนไปเรื่อยๆน้องเมื่อมันไม่ลืมแล้วต่อไปเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมามันพร้อมที่จะรับทันทีและมันจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่มีความเศร้าโศกเสียใจ นี่คือปัญญาที่จะทำให้เราได้เข้าสู่พระนิพพานในลำดับต่อไปเกิดขึ้นกับการบาเพ็ญคุณธรรมทั้ง5ประการคือศรัทธาวิริยะความอุตสาหะภากเพียนสติความระลึกรู้สมาธิการสง บ, บนิ่งของจิตใจ และปัญญาความฉลาดรู้ทันกับความเป็นจริงของชีวิตว่าเป็นอย่างไรถ้าเรามีคุณธรรมทั้งห้าประการดีแล้วมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมารับมรดกมารับมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าสมมอบไว้ให้กับพวกเราด้วยการบำเพ็ญ คุณธรรมทั้งห้าประการคือศรัทธาความเชื่อวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรสติความระลึกรู้สติความสงบนิ่งของจิตและปัญญาความฉลาดรู้ทันความจริงให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สขที่จะตามมาต่อไป